ไปอยู่เดินนี้ไปอยู่ชั้นสวรคงชั้นนั้นชั้นนี้ น, น, นนะเขาทำกรรมอันนั้นเขาจึงได้ไปอยู่ที่นู่ น, นเนี่ยเขาบอกข่าวมาเนี่ยก็แจ้งข่าวมานะนก็ททำให้สัฏทายาิโยมในยุคตันสมัยนั้นเคารพนับถือเลื่อมใสพระโมกขลาเจากนั้นพวกที่อิจฉาทนี่มันก็มีนี่ยเออิจฉานี่็คือพวกนอกศาสนาเขาก็ลงขันกันจ้างโจนผู้ร้าย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 พราะอนันตตริยกรรมามาทุกข้าติดทุกข้าทั้งข่าพ่อทั้งข่าแม่ด้วยจากนั้กลงอเวจีมหานรกพอพ้นจากนรกมาก็ใช้กรรมมาโดยตลอดจากนั้นก็ถูกฆ่ามาตลอดตลอดมาทุกพบทุกชาติหลา ย, ลายชาติเลี้ยงลาดับามาชาตินี้ก่อนนี้ไม่พ้นอีกแล้วทั้งที่เราจะได้ทํา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 ให้ปกติเลยนี่แหละหมอทุกวันให้เขาใช้คาถาปรโมกขลาเนี่ยเป็นภาษ า, ษามาลีบ่นหมุมหมอบุมหมอบมุอ บ, บ, บแล้วกระเป๋าเสกคาถาจอดกระดูกจอดเออที่มันแตกมันหักนะ่ะเขาคาถาพโมกขลาประสานกายแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เรียนเอาคาถาท่น <c oughs> านอย่างนั้นนะับประสานกายเป็นตัวของท่านไปกราบพระพุทธเจ้าบอกกราบพระองค์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 ในเมืองมนุษย์ในในวัตฏในวัฏฏะสงสารเนี่ยมันไม่ออกจากวัตฏะไปได้กรรมแต่พระโมคคัลานออกจากวัฏฏะไปแล้วกรรมกรรมนึง่งตามไม่ทันเนี่ยกรรมที่จะทําจะให้จะให้โทษอีกไม่ทันตามไม่ทันไม่รู้จะไปที่ไหนผลที่ฉุดกรรมต่เนี้ก็เลยหมดหมดกําลังหมดแรงก็จบเรียกว่าอาหัวีกรรมแปลว่ากรรมตามไม่ถึง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 ไล่ไอ้พนะ่นจี้ตลอดเนะีอยผลวในสุดกันนะ่ะชนจนได้อันนี้กรรมคือการกระทําตัวเนี้ยไล่จี้ตลอดเนะ่ะผลในสุดเมื่อทันเข้าไปก็ให้ผลนะเหมือนกับตารวจนะเมื่อจับทันเข้ามาก็จับเข้าคุกในเมืองมนุษยนะ์แต่เมืองผีนะ่นอีกอย่างหนึ่งจะต้องรออีกจะต้องรอลงโทษอีกรอบรอบที่สองนะอันนี้เมืองมนุษย์